อวิชชาปัจจยาสังขารสังขารปัจจยาวิญญาหนังวิญยาณปัจจยานามารูปังนามารูปปัจจยาสลายตาหนังสลายตาณปัจจะยาภาโสภาสปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตันหาตันหาปัจจยาอุปาทานัง ปาทานปาจายาภวโภวปาจายาชาติชาติปาจายาชรามระนังโสกปริเทวทุขโทมานัสุปายาสาสัมภวันติเอวเมตตาเกวราสทุขะขันธาสัสมุทโยโหติทีนี้เราอ่านอ่านภาษาไทย ก็คือภาษาบาลีอวิชชาปัจจะยาสังขาราก็คือเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเรานึกภาพของปฏิจสมุปาฏิออ ก, กคืออวิชชาปัจจะยาสังขารานะครับเพราะมีอวิชชาสังขารจึงมีเพราะมีสังขารวิญญาณจึงมีก็คือ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 อวิชยตาเววนิโรธาสังคารนิโรโทสังคารนิโรธาวิญญาณานิโรโทวิญญาณานิโรธานามรูปานิโรโทนามรูปานิโรธาสลายตานิโรโทสลายตานิโรธาพาสนิโรโทพาสนิโรธาเบธานิ นิโรธเวทนานิโรธาตันหานิโรโทตันหานิโรธาอุปาทานานิโรโทอุปาทานนิโรธาภวินิโรโทภวินิโรธาชาตินิโรโทชาตินิโรธาชรามรณังโสกปริเทวทุขโทมานัสุปายาสานิโรชันติเอวเมตตา เกวราตสทุขขันธสานิโรธโหตีนั่นที่ก็เป็นสายดับนะครับ